ฝนตกแต่เช้าเลยวัดป่าสุกโตนี่ก็แรงมานานจนสาเหลือน้ําน้อยแล้วตกมามากก็ดีที่ว่าจะได้มีน้ําใช้ต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งถ้าฝนตกหนักเลยต้นไม้ก็ชุ่มฉ่าทําให้ธรรมชาติสมดุลเช้านี้เรามาก็ตั้งใจจะพูดเรื่องสัจธรรมความจริงของความแก่ความเจ็บความตา ย, ามตายเมื่อคู่เราก็ได้สวดมนต์บทอภินษฐรพจเวก ไปแล้วถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยบทอภินิาปัจเวงเนี่ยจะทำเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายเรามีกรรมนของตัวเองมีการพัดพาคมีการสูญเสียทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำยังไงก็ได้อย่างนั้นสิ่งที่เรากระหน่ไม่ได้เนี่ยมอยู่5อย่างที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรานะขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือหนึ่งอายุ2ความเจ็บไข้อุบัติเหตุ สเวลาที่จะตายสี่สถานที่จะตายถ้าตายแล้วจะไปไหนอันเนี้ยเราก็รู้ไม่ได้เลยเห ล, เหลือวิสัยของเราอย่างเรื่องอายุเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนศิลปินที่รามาชอบก็ได้เสียชีวิตลงคือหม่อม ร, ราชวงศ์นัดศีสวัสดิวัตรซึ่งท่านถือว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของประเทศไทยเกิดมามีชาติกูลสูง แล้วเป็นคนที่มีความรู้มากมีความสามารถหลายด้านคนทั่วไปจะรู้จักท่านแบบสัญลักษณ์งความอร่อยคือเชชนชิมไม่รู้พวกญาติโยมรู้จักเชชนชิมไหมถ้าร้านไหนเนี่ยมีโลโก้เชชนชิมนะร้านนั้นน่ยจะมีคนไปกินอาหารเยอะคือเป็นสัญลักษณ์งความอร่อยเลยแต่คนทั่วไปจะรู้จกกนะักหมอบร้านจงทาสีเรื่องความอร่อยนะแต่ละบากับชอบ เพลงของท่านมากกว่าเพลงของหม่อมราชวงศ์ถัศสีเนี่ยจะมีเพอาพอหลายเพลงเลยสมัยที่ท่านร้องอยู่กับวงตีสุนทาพรไม่ว่าจะเป็นเพลงขอโทษกลัวจะรักไม่จริงตะลุงเข้ากรุงสาวบ้านบึงคำเขาลือนางแก้ว้วยดวงใจทารารทมสีชังและอีกหลายเพลงเป็นเพลงที่ไพเราะคือท่านเสียงเสียงดีมาก เกิดมานี่ถ้าจะพังพร้อมทุกอย่างแต่ถึงเวลามันก็รักษาไว้ไม่ได้นะตอนท่านอายุ90กว่าเนี่ยก็เริ่มความจำเสื่อมแล้วความจาเสื่อมป่วยเป็นมะเรง็งหลงหลง่ลืมลื ม, ลมเมื่อช่วงเดินเบษาก็ปีนี้ลูกลูกๆก็ไปขึ้นกรสาเนี่ยบอกให้เป็นคนที่ไร้ความสามารถไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ ความจําเสื่อมอันนี้ความสามารถก็เป็นของไม่เที่ยงเราไม่สามารถรักษาไว้ได้เลยถึงเวลามันก็ธรรมชาติก็เอากลับคืนไปก็นำมาเล่าให้ฟังบางคนก็ตายตั้งแต่อายุยังเด็กเลยเกิดมาไม่นานก็ตายบางคนเนี่ยตายตอนหนุ่มสาวบางคนตายตอนแก่บางคนก็ตายยากติดเตียงต้องนานถึงจะตายแต่ก็มีบางคนนะ ตอนนี้ยังไม่ตายเลยอายุร้อยี่ปดปีคือปู่ทวดอ้อนเน่าอยู่ที่จังหวัดอุดรสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เลยตอนนี้ยังทำไม้ฝาดขายมีภรรยาอายุเจิปีหัว อ, อยุห่างกันตั้งห้าสิบปดปีถือว่าเป็นเป็นปู่ทวดที่อายุเยอะเยอะท่าที่เคยได้ยินมานะยังฟอมยำไม่เสื่อมแกก็กินพวกปลาล้งปลาล้กินอาหารบ้านๆนั่นแหละ เรนนื่องอายุเราจึงกระโดดไม่ได้ไงว่าใครอายุยืนอายุสั้นอยู่ที่เหตุเหมือนกันงั้นเราก็ต้องไม่ประมาทเรื่องอายุมามาเรื่องความเจ็บไขยอุบัติเหตุความเจ็บไข่อุบัติเหตุนี่ก็เราก็หมดดไม่ได้เหมือนกันอย่างที่วัดเราเนี่ยวัดป่าสุกโตเนี่ยเกิด อ, อุบัติเหตุได้ง่ายคือถนนลื่นช่วงฝนตกเนะี่ยพอฝนตกนานๆบ น, น, นถนนก็เป็นตะไคร่เขียวหรือบนถนนที่ไม่มีไม่มีพื้นปูนเนี่ยก็จะเป็นดินแบบดินที่ลื่นง่ายอะ่ะ พันพวกญาติโยมพระแม่ชีเดวะก็ต้องระวังกันมากเลยถ้าไม่ระวังเกิอดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนก็ได้จากคนดีอาจจะเป็นคนพิกงพิการหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุดังหนักอาจจะเสียชีวิตก็ได้อันนี้น่ากลัวมากมีพระที่เรามารู้จักเนี่ยเกิอดอุบัติเหตุและชีวิตเปลี่ยนเลยครั้งเดียวอย่างในที่ดีไม่รู้จักพวกพวกโยมรู้จักอาจารย์ทองขานไหมอาจารย์ขานลื่นล้มครั้งเดียวแหละกลายเป็นพิการเลยปวดค่ารักษาไปตั้งหลายแสน กลายเป็นอ่อนแอจากคนที่แข็งแรงอาจารย์ชัดชยัยจากพระที่มีอนาคตเราจะตกหลังคาครั้งเดียวเนี่ยก็กลายเป็นคนพิการความจําเสื่อมเหมือนเด็กเลยตอนนี้จากคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดความรู้ความสามารถเนี่ยมันของไม่เที่ยงนะ้สักวันนึงธรรมชาติก็เอาคืนได้ต่อนจบสูงมหาห่านไหนถ้าความจําเสื่อมก็กลายเป็นคนธรรมดาไปแต่ประมาทไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้เรื่องความเจ็บไข้อุบัติเหตุ แต่สิ่งที่เราระวังก็ต้องมีสตินะถ้าเกิดไม่มีสติเนี่ยมันจะเผลอไงเผลอปุ๊ บ, บเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าตรงนี้อันตรายสติมันจะล่าความจําออกมาว่าไอ้ตรงนี้อันตรายนะเดินก็ย้อนเดินก็ระวังมันก็ผ่านพ้นได้สะพานเนี่ยก็เหมือนกันถ้าโคตรซวยซสักวันอแอบ ต, ตกก็ได้สะพานของวัดป่าสุขโตเนี่ยเกิดเดินจังหวะเจอเหยียบสะพานไม้ที่ผูะร่วงลงน้ําก็ได้หรือไม่เดินไปเหยียบงูก็ได้เตะงูเหยียบงู หรือโดนน้าเกี่ยวก็ได้นั้นต้องมีสติว่ารู้ตัวนะขาดไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ให้หนักเป็นเบาช่วยเราได้ทุกเมื่อสติบรรทาวิเศษพอฟาเจ็บไข้ได้ป่วยบัตรเหตุเราเราเป็นสิ่งที่เหนือกว่าควบคุมอยู่แล้วแต่เราก็ป้องกันให้ให้เบาลงได้ด้วยด้วยสติแล้วมาข้อที่สามเวลาที่จะตายเราก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะว่าเราจะตายตอนไหนเช้าสายบ่ายเย็นอันนี้ไม่รู้จริงๆ แล้วมาข้อที่ 4, สี่สารที่จะตายสารที่ที่จะตายนี่ก็เราก็กําหนดไม่ได้เป็นการะจะตายที่ไหนตายในบ้านตายนอกบ้านตายในวัดตายนอกวัดตายในป่าตายในตายในน้ําเราไม่รู้จริงอ่ะสิ่งเหล่านี้คือเหมือนเหนือการควบคุมของเราอ่ะเราต้องเตรียมพร้อม ถ, ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ยังมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งตาจย์แกเป็นคนธรรมะธรรมโมแกมีลูกชายคนหนึ่งลูกชายชื่อว่าเจ้าแดงอายุเก้าขวบตาจารย์อยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนคนดีมีปัญญาช่วงปิดเทอมจึงนามาฝากวัดไว้เป็นลูกศิษย์วัดจะได้ฝึกวิสัยดีจากพระโดยมีลูกพี่ช้างเป็นจเจ้าอาวาสแต่ด้วยความโซนของเจ้าแดงเนี่ย พออายุอย่างน้อยนะก็ไปเล่นที่ท่าไหนโมก็เดินโดนไฟช็อตตายหลุบพิชางนี่ก็เครียดเลยเอยเจบอกอาจารย์ยังไงดีเนี่ยอาจารย์ก็มีลูกชายคนเดียวเดี๋ยวเกิดแกช็อคตายไปคนหนึ่งเป็นบาปเป็นกรรมคิดอยู่ร้องนานที่จะไปแจ้งข่าวตาจารย์ก็นึกขึ้นมาได้โอ้ตจาจันเป็นคนธรรมะธรรมโมงั้นเราจะต้องเอาธรรมะออกหน้าแล้วความจริงตามหลังจึงเดินไปที่บ้านอานจันตาจย์เนี่ยกําลัง มุงลังคาบ้านอยู่หลวิพีช้างจึงเรียกตจาจรย์ลงมาข้างล่างเพื่อปลาปลอดภัยแล้วก็ถามว่าโยมมูงลังคาทําไมตจาจรย์ก็บอกว่าอ๋อมันเก่ามันรั่วมันเสื่อมครับหลวงพี่เอา้าเอา้าแล้วขอมันเก่าได้ยังไงทบไปถึงเก่าตจาจันเขาบอกว่าเอา้าหลวงพี่บวชมาตั้งนานไม่รู้เหรอว่าของในโลกเนี้ยมันมีอายุอยู่ช่วงหนึ่ง แล้วมันก็ลองเสื่อมไปเป็นธรรมดาหลวงพิชางถามต่ออ้าวมันเสื่อมเฉพาะของอย่างเดียวเหรอคนเสื่อมไหมโออคนก็เสื่อมเหมือนกันคนเราอยู่ใต้กดไตายรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาครับหลวงพิชางถามต่ออ้าวแล้วเกิดทายาทของโยมตายเนี่ยโยมไปทาไงโอผมก็ไปเผาสิครับแล้วเกิดอามาตาย โยมไปทำไงอ๋อโยมก็ไปเผาเผาให้เลยครับหลวงพี่สบายใจได้เรื่องธรรมดาเอา้าถ้วเกิดตัวโยมตายอะ่ะจะทําไงโอ้ยเรื่องนั้นหลวงหลวงพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกหลานผมก็ไปเผาเองอครับมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดลูกโยมตายละโอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวผมก็เผาผมเองได้ไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนอาจารย์พุทธมะเก่งมากเลยช้างก็เห็นว่า อาจย์นเนี่ยจิตใจบัน้นคงเขาจะธรรมะหรือปล่อยวางได้ดี mm hmm. ก็เลยพูดเสริมอือัตมาก็เห็นด้วยกับโยมนะว่าคนเราเนี่ยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทำดีแล้วยำชั่วได้ชั่วที่โยมพูดก็ถูกหมดเลยเดี๋ยวขอทดสอบหน่อยถ้าเกิดลูกโยมตายเนี่ยโยมจะทําไงโอ้ยก็ไม่เป็นไรผมก็เผาอย่างที่บอกไว้ไง เรื่องธรรมดาเนี่ยอาตมาเนี่ยที่มหาโยมเนี่ยจะไปแจ้งข่าวเจ้าแดงเนี่ยมาถูกไฟช็อตตายที่วัดเนี่ยอาจารย์ช็อกตาค้างแล้วก็สลบลงก็ลงกับพื้นทันทีเลยสลบไปลไม้มไปเลยอ่ะเพราะอาจารย์เนี่ยเก่งนทงะทฤษฎีไงแต่ไม่เก่งเรื่องภาคสนามภาพปฏิบัติก็เลยรับไม่ได้อั่นมะความจริงกับคำพูดที่ต่างกันนะ บางทีเราจะเห็นพระร้องไห้พระเศร้าโศกเหมือนโยมนั่นแหละไอ้พูทธมารเรื่องไม่เที่ยงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องความจริงนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่สถานที่ที่จะตายเป็นเรื่องไม่ได้นะอย่างตาจย์ก็อุตส่าวลูกไปฝากที่วัดกลายไปวัดต้องไปตายที่วัดแทน น, นี่เลือกไม่ได้ต่อมาข้อที่หตายแล้วไม่รู้จะไปไหนอันนี้ปัญหานี้ก็ขณะที่มีชีวิตอยู่เราไม่รู้จริงว่าตายแล้วจะไปไหน แต่ถ้าเกิดเป็นภารยะบุคคลขึ้นไปทั้งแต่โดะ บ, บาลขึ้นไปเนี่ยก็ปิดประตูอภัยบูมคือมั่นใจได้ว่าไม่ต่อโรกแล้วแต่ถ้าเป็นปุ้โดชนคือคือลงลเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวทําดีเดี๋ยวทําชั่วเดี๋ยวจิตคิดกุศลเดี๋ยวอกุศลขึ้นลงๆก็ต้องไปตายเวทฐากรรมอะ่ะบางครั้งขณะที่จะตายเกิดจิตเปกุศลขึ้นมาคิดขึ้นมาได้อา้าวเขไปสู่สุคติเกิดขณะที่จะตายคิดอกุศล วิบากกรรมไม่ผลน่ยก็ไปทุกวติเอาแน่นอนอะไไม่ได้เลยบุญนี่ก็เปรียบ เ, เหมือนเรือเรือแล้สามารถรับก้อนหินได้มากมายบาปก็เปียบเหมือนก้อนหินน่ยโยนลงน้ําก้อนเดียกก็จมละวแต่เรือสามารถรับก้อนหินได้ไปลำํลำๆเลยมากมายฉะนั้นถ้าเกิดเราตายน่ยคิดถึงกุศลขึ้นมาเคยทําบุญเคยปฏิบัติธรรมเคยชื่อเหล่าคนอื่นเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือทาความดีหนักๆเนี่ยดูแลคนป่วยอะไรเงี้ย ถ้านิมิตนี้ขึ้นมาเราก็ไปสู่สุคติได้ไปสู่สุคติก่อนก็มีทานให้โยมฟังเล่นๆน้าส อ, สองสองเรื่องมีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่รวยมากแล้วเป็นคนบ้างงานพักผ่อนไม่พอจนในที่สุดแก้วหัวใจวายตายตายไปก็บิญยายก็มาปรากฏที่หน้าโงพยาบาลเ น, นี่ยโงพยบาล โยบานก็จะพิพากษาลงโทษอ่ะสถีคนเนี้ยตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยแกเวลาทำอะไรผิดเนี่ยแกชอบติดสินบนตำรวจติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือพนัก ง, งานต่างๆเนี่ยทุกความสะดวกงคนรวยอ่ะทในประเทศไทยก็เป็นอย่างเนี้ยใครมีเงินทำอะไรก็ไม่ติดคุกไงแกนึกขึ้นมาได้แกก็เลยจะติดสินบนยรงพบาลก็บอกว่าให้ท่านแสนหนึ่งให้ท่านช่วย นำผมกลับไปยังโลกมนุษย์ได้ไหมครับผมยังมีเงินอีกมากมายเลยที่ต้องใช้โยบบาลก็หันหน้าไปทางอื่นไม่สนใจเศรษฐีก็ตามไปตามไปอีกท่านแสนหนึ่งน้อยไปผมไห้ท่านล้านหนึ่งก็ได้ครับโยบบาลก็เชิดหน้าหนีไปทางอื่นอีกเศรษฐีก็ตามไปอีกโอ้ล้านหนึ่งน้อยไปผมไห้ท่านสิบล้านก็ได้ครับตอนนี้โยบบานหันหน้ามองหน้าเศรษฐี แล้วก็พูดขึ้นว่าเองมีไหมสิบบาทถ้าเองมีสิบบาทตอนนี้ค่าจะให้เองกลับโลกมนุษย์เศรษฐีแทบช็อกเพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวแม้แต่บา ท, ทเดียวก็ไม่มียงพาบาลก็เลยลงโทษจับลงกระทะทองแดงเพื่อสั่งสอนหนี้คนตายเนี่ยเอาอะไรไม่ ไ, มได้เลยแม้แต่เงิน5้าบาท10บาทอยู่ในปากสับเบลเมันยังงัดออกมาเลยไม่สามารถเอาอะไรไป ไปได้ตอนตายแล้วอ่ามีทายอีกเรื่องหนึง่งแถวถนนพิบุรีตัดใหม่มีมีหมอนวดอยู่คนหนึง่งเธอทำงานแถวๆนั้นแหละข้างๆที่เธอทำงานอยู่เนี่ยก็มีวัดอยู่วัดหนึง่งครั้งที่หมอนวดรับแขกเธอก็จะน้อมใจไปที่เวลาพระครูนำทำวัดสวดมนเนี่ยวัดที่เธอเห็นนะ่ ที่มีพระครูเปเจ้าวาดเธอรับแขกเธอก็รู้สึกว่าตัวเองผิดอะเลยน้อมจิตสวดมนต์ตามทุกครั้งเลยมีวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพระครูกับหมอนวดนเนี่ยผเอินตายพร้อมกันขันวิญญาณ้คูตายก็ไปเจอโยมพบาลโยมพบาลก็ชำระความบอกว่าหมอนวดนเนี่ยไปขึ้นสวรรค์พระครูตกะลก พอเยาวาตสินเช่นนั้นน่พระครูก็วอยวายบอกบอกตัดสินผิดหรือเปล่าหมอนวดเนี่ยทำแต่เรื่องชั่วร้ายเรื่องต่ำช้าเร็วซามจะขึ้นสวัสด์ได้ยังไงอัตมาเนี่ยนำญาติโยมเนี่ยไว้พ้าสวดมนต์รักษาศีลทำความดีจะตกลกได้ไงโรพยาบาลบอกตัดสินไม่ผิดหรอกก็ท่านเนี่ยเวลาสวดมนต์บางครั้งจิตก็น้อมไปที่หมอนวดมองไปที่อาบอนวดอะ อยากเสพกามกับหมอหนวดฝ่ายหมอหนวดเนี่ยเวลาเสพกามก็นึกถึงพระรนะตายพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่เรื่อยอันสมควรขึ้นสวรรค์ท่า น, นสมควรตกกรกเพราะจิตจิตใจอยากเสพการรมพระครูเลยต้องตกกรกอันนี้เป็นเรื่องเล่าเล่นๆ เ, เพราะว่านกสวรรค์อยู่ที่ใจเอาแน่นอนเลยไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราก็หมดไม่ได้5้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่มาหาแล้วแหละถ้าเรามาเจรติสร้างควาูกตัวเนี่ย กม็มีปัญหาเวลาตายก็สามารถนึกถึงสิ่งดีๆได้เพราะว่านี่คือเห็นแหงความดีถ้าไม่มีสติก็คนหลงอ่ะเวลานอนหลับก็ฝันไปเรื่อยเปลือยบางทีก็ฝันไม่ดีบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดมีสติได้ฝันมันรู้ตัวนะอย่างที่อัน์มาเคยเล่าให้ฟังอ่ะว่าหลวงพ่อขียนเนี่ยตอนที่ท่านฝันเนี่ยว่าผีกิ้งมาทับเนี่ยท่านสวดมนตน์สู้กับผีจนผีกิ้งออก ท่านจำได้หมดอะคาถาบทไหนพอท่านอยู่สวดผีก็กิ้งมาทําใหม่ท่านสวดวนต่อสู้กับผีต่อผีอก็กิ้งออกไปอีกที่สู้กันจนเหนื่อยจนท่านตื่นขึ้นมาเอา้าเราเป็นพระ ก, กับอาถรรกลัวผีได้งไงแล้วร้างกัยกมือสร้างกังวะทำความรู้ตัวตั้งนั้นมาความกลัวหายไปจากใจท่านเลยเพาะความกลัวสอนท่านหายกลัวเราสามารถมีสติในฝันได้ถ้าเราสร้างความรู้สึกตัวบ่อยเรามีที่พึ่งได้ พวกโยก็ต้องขยันสร้างความรู้สึกตัวเพราะว่าสิ่งภายนอกเราพึ่งไม่ได้หรอกญาติพี่น้องพ่อแม่สิ่งอื่นๆเนี่ยเรามาคนเดียวเราไปเราก็ไปคนเดียวเกิดแต่ตัวไปก็ไปแต่ตัวสิ่งที่เราพึ่งได้ก็คือตัวเราเองนั่นแหละคนอื่นพึ่งไม่ได้พึ่งได้ก็ชั่วครั้งชั่วคราวอย่างธรรมชาติเนี่ยก็สอนธรรมะเราตลอดนะอย่างแมงเมาเนี่ยลองสังเกตแมงเม่าไหมเวลาฝนตกแมงเม่าจะออกมาจุดประสมแมงเม่ามี ที่เดียวคือเล่นแสงไฟบางครั้งถ้าไปเห็นเทียนมันก็วิ่งมาที่เทียนน่ะโดนเผาไหม้หมดเพราะความความอยากเล่นไฟอันนี้ขาดสติหรือบางทีก็มาเล่นไฟดวงไฟอ่ะสว่างสว่างเนี่ยแมงม้าเล่นเล่นไปเล่นมาเนี่ยไอปีกเปิดกหลุดกระจงกระจายแล้วก็เป็นอาหารของพวกตุกแกจิ้งจกกบเขียดคางคก แล้วก็ไก่แล้วก็เป็นห่วงโซ่อาหารอีกมังม่ายเขาสัตว์ต่างๆแล้วเวลาที่แมงเม่าบินมาเกาะแสงไฟมากๆผู้อยู่บนต้องระวังนะเพราะว่ากบเขียดสัตว์มากินมากินแมงเม่าก็จริงพวกงูมันก็จ้องเนยมากินพวกกบเขียดด้วยเพราะเป็นห่วงโซ่อาหารไงแมงเม่าก็สอนทําชิ้เราได้ว่าแมงเม่าเนี่ยคือความหลงเราก็ดูเอ๊ะไฟไม่เห็นหน้ามีความสุขตรงไหน แต่แมงเมาไม่ได้คิดอย่างเราแมงเมาบอกว่าการเล่นไฟคือความสุขของเขาความสุขที่สุดในชีวิตไงเขาเล่นแล้วตายมาเล่นแล้วก็ตายแล้วก็มีสัตว์อีกหลายอย่างที่สอรรมะเราไม่วจะเป็นไส้เดือนไส้เดือนเนี่ยจะออกมาตอนหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยคือดินมันแข็งแล้วเขาออกมาเขาก็โดนพวกมดโดนพวกสัตว์ต่างๆกินเป็นอาหารเหมือนกันคือแสดงความไม่เที่ยงแต่ตอนเนี้ถ้าฝนตกเนี่ยไส้เดือนจะไส้เดือนจะมีความสุขนะ ชัยดินไปดินมันดินมันชุ่มชําไงชายช้อนง่ายเดี๋ยวหน้าแรงก็ตายแล้วฝนตกแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโยมก็ต้องเจอยุงตัวใ ห, ใหญ่ยุงจะมาสอนธาบมาตพวกโยมพราะที่หอตายเนะี่ยยุงหายไปหลายวันเพราะว่าฝนไม่ตกไงพอฝนตกเนี่ยเดี๋ยวยุงก็มากัดมาสอนทํามไม้เรารู้ถึงความไม่เที่ยงความขัดใจ โลกธรรมไม่ได้เป็นแรงใจเรามว่าจะเป็นมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกขมีเสด็จมีนิทามันเปลี่ยนตลอดเวลาชีวิตเราจะมีหัวโขนคนหนึงไม่รู้กี่ใบเลยแต่ตอนตายหัวโขนก็ต้องถอนออกหมดอะใครจะเป็นมียศมีอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าคนมีปัญญาก็จะเอาหัวโขนนั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องจังยึดหัวโขนยึดไม่ได้หรอกเป็นไปตามสมมุติก็เป็นอะไรที่จริงคนเราก็จริงๆแล้วตัวตนไม่มีนะ แต่จิตเรายึดว่เาเนี่ยเป็นัว ก, กูของกูของมึงอะไรเงี้ยเรามาปฏิบัติธรรมมาเรียนธรรมะก็เพื่อให้เห็นความจริงออกอยางโลกสมมุติแล้วแหละแต่เราต้อใช้สมมุติได้เป็นให้อยู่กับโลกไอ้เนี่ก็ต้องสมบัวโขนทั้งตนเองและคนอื่นเพื่อความอยู่ได้ของสังคมแต่ที่จริงแล้วตัวตนจริงๆเราไม่มีแต่ความคิดไปก็บอกว่าบีตลอดสิ่งที่กำหนดไม่ได้5้าอย่าง ที่มาพูดมาเนี่ยพวกโยมก็อย่าประมาทก็แล้วกันเมื่อจะเลือกอายุฝวามเจ็บไข้ยอยุบัติเหตุเวลาที่จะตายสถานที่จะตายแล้วก็ตายแล้วไปไหนแล้วก็มาเจริญสติสร้างความสุขตัวเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งขณะที่มีชีวิตอยู่ตายก็มั่นใจว่าตายดีไม่ไปตามเว า, ากรรมชาวเนี่ยมาพูดมาก็เห็นว่า สมควรแก่เวลาก็ขอจบลงแค่นี้เอวัง